การที่พวกเรามาฟังเทศฟังธรรมกันนี้เป็นการกระทำที่จาเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าเราไม่ได้ฟังเทศฟังธรร ม, รมแล้วไปปฏิบัติเราจะปฏิบัติไม่ถูกต้องเมื่อปฏิบัติไม่ถูกต้องผลที่เราปรารถนาก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาอย่างในสมัยที่ ยังไม่มีพระพุทธเจ้าทรงตัดสรตยก็มีผู้ปฏิบัติกันแต่ไม่มีใครบรรลุมรรคผลนิพพานกันได้เลยเพราะไม่รู้จากวิธีการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงพระนิพพานแต่พอมีพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุแล้วทรงประกาศพระธรรมคาสอน ขั้งแรกก็มีหนึ่งในหบุคคลที่ร่วมกันฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้บรรลุขั้นอริยผลขั้นที่หนึ่งก็คือขั้นโสดาบันและหลังจากนั้นหลังจากที่ได้ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าเองไม่กี่ครั้งผู้ฟังทั้ง5คือพระปัญจวคี ก็ได้บรรลุถึงพันิพาณได้เป็นพระอาหารหันตสาวกแต่ก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้ามาทรงรแสดงพระธรรมเทศนาโปรดสัตว์โลกไม่มีสัตว์โลกตัวใดเลยที่บรรลุถึงพันิพาณกันได้ดังนั้นการฟังธรรมจึงเป็น ภารกิจที่สาคัญอย่างยิ่งเมื่อเราฟังธรรมแล้วเราจะได้รู้จักวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องและเมื่อเ ร, รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเราปฏิบัติได้ถูกต้องผลก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดก็ตาม จะ อ, อยู่ในยุคของพระพุทธเจ้าหรืออยู่ในยุคปัจจุบันนี้ก็ไม่ต่างกันเหตุกับผลนี้ไม่ไม่เปลี่ยนไปตามการตามเวลาถ้ามีเหตุที่ถูกต้องผลที่ถูกต้องก็จะเกิดขึ้นมาดังนั้นพวกเราจึงควรศึกษาพระธรรมคำสอน กันอยู่เรื่อยๆในเบื้องต้นเราควรจะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนเพื่อจะได้มีมาตรฐานไว้เปรียบเทียบกับคำสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆว่าท่านสอนในแนวเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหรือไม่ ถ้าเราไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยแล้วเราไปฟังคำสอนของครูคบาอาจารย์ถ้าท่านรู้จริง<ม>เห็นจริง<ม>ก็ตลอดภัยไปไม่มีปัญหาแต่ถ้าท่านไม่รู้จริง<ม>เห็นจริงแล้วตัวท่านเองก็ไม่ได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถ่องแท้ มาสอนอยู่แบบผิดผิดถูกๆกเราก็จะไม่รู้เราก็จะหลงเชื่อและเราก็จะปฏิบัติแบบไม่ได้ผลดังนั้นในเบื้องต้นนี้เราควรที่จะศึกษาคำสอนของพ่อพัธเจ้าก่อนเพื่อเราจะได้มีมาตรฐานไว้สำหรับเปรียบเทียบคำสอนของผู้อื่นต่อไป คำสอนของพระพุทธเจ้าก็ถึงแม้จะมีจำนวนมากมายเต็มตู้พระไตรปิฎกแต่ก็จะมีคำสอนสำคัญสำคัญอยู่ไม่มากพอที่จะศึกษาและจดจำเอาไว้ได้เช่นเราควรจะรู้อะไรบ้างเราควรจะรู้มรรคแปดรู้อริยรสัจสี่ รู้ตรลักษณ์อนิจังทุกขังอนัตตารู้มงคล38รู้สติปทานสูตรรู้วิธีเจริญสติรู้กรรมฐาน40รู้อิทธิบาท4รู้อินรีหรู้ทาน10ประการปารมี10ประการ นี่คือทาตัวอย่างที่เราควรที่จะศึกษากันมีหนังสือที่เขารวบรวมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาไว้ในเล่มเดียวกันเช่นในหลักสูตรนักธรรมตรีนี้ก็จะมีคำสอนเหล่านี้เพียงแต่ว่าไม่ได้แจกแจงรายละเอียดเป็นการแสดงหัวข้อสำคัญสำคัญ ที่เราควรจะรู้กันที่เราควรจะปฏิบัติกันหรือที่เราควรจะเจริญกันเช่นอะไรที่เราต้องเจริญก็มรรคแปดมรรคที่มีองค์แปคือทางดำเนินสู่การบรรลุธรรมมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนิมมาสังกปปะความดำริชอบ สัมมากรรมโตการกระทาชอบสัมมาวาจาการพูดชอบสัมมาอาชิวอาชีพชอบสัมมาวายโมวความเพียรชอบสัมมาสติการตั้งสติชอบสัมมาสมาธิการตั้งมั่นของจิตที่ชอบนี่ก็คือสิ่งที่เราควรจะเจริญกัน หรือบางทีท่านก็ทรงสอนให้เจริญอิทธิบาท4คือฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาฉันทะก็แปลว่าความพอใจที่จะปฏิบัติวิริยะก็คือความอุตสาหะความภาคเพียรที่จะปฏิบัติจิตตาก็คือจิตใจที่มุ่งมั่นต่อการปฏิบัติวิมังสา ก็คือการคิดที่คิดอยู่กับเรื่องของการปฏิบัติไม่คิดถึงเรื่องเที่ยวเรื่องหาความสุขทางโลกคิดแต่จะรักษาศีลคิดแต่จะเจริญสติคิดแต่จะนั่งสมาธิคิดแต่จะเจริญปัญญาเพื่อให้เห็นไยรลักษเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเห็นอริยสัจสี่ เห็นทุกสมุทยนิโรธมรกนี่คือตัวอย่างของธรรมที่เราควรที่จะศึกษาและควรที่จะรู้เพราะว่าเราจะได้มีความรู้ที่รอบครอบกว้างขวางและครบต่อการที่จะทำให้เราปฏิบัติได้อย่างถูกต้องไม่หลงทาง ไม่ออกนอกรูนอกทางเพื่อที่เราจะได้บรรลุธรรมได้ภายในเจ็ดวันหรือเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีเป็นอย่างมากอยู่ที่พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่ถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่รู้พระธรรมคาสอนเหล่านี้เราก็จะเป็นเหมือนคนตาบอดคำทางคนตาบอดนี จะเดินทางไปไหนมาไหนตามลาพังเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องมีคนที่ตาดีพาไปถึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปได้ดังนั้นการศึกษาพระธรรมคาสอนด้วยการฟังเทศฟังธรรมก็ดี ด้วยการอ่านหนังสือธรรมะก็ดีก็เป็นการกระทำที่เราต้องกระทำเพื่อเราจะได้มีความรู้มีความเห็นที่ถูกต้องเพื่อเราจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อเราปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมา ดังนั้นการฟังธรรมพระพุทธเจ้าจึงทรงตัดไว้ว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อได้ยินได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นสา จะกำจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปจากใจได้ 4. จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องและ5จะทำให้มีจิตใจที่ผ่องใสมีความสุขมีความสงบนี่คืออันิสองที่จะได้จากการฟังเทศน์ฟังธรรม และการที่จะฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้ได้อานิสงส์ทั้งห้าประกาศนี้ก็ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบกายก็คือต้องนั่งอยู่เฉยๆไม่ควรทำอะไรอย่างที่ญาติโยมส่วนใหญ่มักจะชอบปอดธรรมะฟังแล้วก็ทำอะไรต่างๆควบคู่ไปด้วยอันนี้ แต่ว่ามีความเสียหายไหมเกิไม่มีความเสียหายเพียงแต่ว่าจะไม่ได้รับผลอย่างเต็มที่นั่นเองเพราะใจจะต้องหมกมุ่นอยู่กับงานกับการงานที่กําลังทําอยู่จะไม่สามารถที่จะตั้งใจฟังได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาการฟังธรรมก็จะเป็นแบบล้มลุกคลุกขานไป ได้ยินได้ฟังบ้างไม่ได้ยินได้ฟังบ้างขณะที่ให้ความสนใจกับงานที่กำลังทำอยู่ก็จะได้ยินแต่เสียงธรรมแต่จะไม่ได้เข้าใจความหมายของเสียงธรรมเพราะใจไม่ได้ฟังเสียงธรรมฟังเพื่อเพื่อให้เกิดความเข้าใจเพราะตอนนั้นกำลังไปให้ความสนใจกับงานที่ตัวเองกำลังทำอยู่ ดังนั้นถ้าอยากจะฟังทำให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ได้อานิสงฆ์ทั้งห้าประการนี้จําเป็นที่จะต้องนั่งเฉยเฉยเหมือนกับเวลาที่เรานั่งสมาธิและเวลานั่งเฉยเฉยนี้ก็ไม่ต้องบริกรรมพุทโธไม่ต้องดูลมหายใจเข้าออกให้ตั้งใจฟังเสียงที่มาสัมผัสกับหูแล้วใช้ปัญญาพิจารณาต่าง นี่คือการฟังธรรมต้องฟังด้วยกายที่สงบนั่งอยู่เฉยๆวาจาก็ต้องสงบไม่พูดไม่คุยกันเพราะการพูดคุยกันก็จะทำให้ไม่ได้ให้ความสนใจต่อการฟังนั่นเองจะไปสนใจกับการสนทนากับการพูดการฟังกันทำที่มาสัมผัส ก็จะเพียงแต่เป็นเสียงที่เข้ามาหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไปจะไม่เข้าไปในใจดังนั้นเวลาฟังธรรมจึงไม่ควรที่จะพูดคุยกันและต้องมีใจที่สงบใจที่ตั้งมั่นตั้งมั่นก็คือตั้งมั่นอยู่กับการฟังอย่างเดียวใจก็ไม่ควรไปคิดอะไรไม่ควรไปทำอะไร เชนไม่ควรไปบริกรรมพุทโธพุทโธไม่ควรที่จะไปดูลมหายใจเข้าออกไม่ควรที่จะไปพิจารณารมอย่างอื่นนอกจากธรรมที่เรากําลังได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะนั้นไม่เช่นนั้นแล้วมันจะเกิดการสวนทางกันหรือตีกันคือทมที่กําลังแสดงอยู่จะไม่สามารถเข้าไปในใจได้ ถ้าใจเรากำลังพิจารณาอยู่กับธรรมบทอื่นหรือกำลังบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่การฟังธรรมก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะเหมือนกับการพังธรรมแบบทัพพีในหม้อแกงทัพพีในหม้อแกงก็คือทัพพีจะไม่รู้รสของแกงต่อให้แช่อยู่ในหม้อแกงนานสักเพียงไรก็ตาม จะไม่รู้ว่าแกงนั้นเป็นแกงชนิดใดเป็นแกงจืดเป็นแกงเผ็ดหรือแกงหวานจะไม่รู้แต่ถ้าเราฟังทำด้วยจิตใจที่จดจอ่อตั้งใจฟังเสียงธรรมและพิจารณาเสียงธรรมนั้นไปโดยที่เรานั่งเฉยๆไม่พูดไม่คุยกับใครเราก็จะฟังแบบ ลิ้นกับแกงลิ้นนี้พอสัมผัสกับแกงเพียงหยดเดียวก็จะรู้ทันทีว่าเป็นแกงชนิดใดเป็นแกงเผ็ดเป็นแกงจืดเป็นแกงหวานจะรู้ทันทีเพียงหยดเดียวเท่านั้นเองไม่ต้องเอาลิ้นเข้าไปแช่อยู่ในหม้อเหมือนกับทพีนี่แหละคือการฟังเทศฟังธรรมที่ถูกต้องที่จะทำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบแลวเวลาฟังก็ไม่ต้องกังวลกับการจดจำไม่ต้องเอากระดาษตป็นสอมาเขียนไม่ต้องกลัวว่าจะลืมเพราะการฟังทมในแต่ละครั้งนี้เราจะไม่สามารถจำทำทั้งหมดที่เราได้ยินได้ฟังได้อันนั้นไม่ได้เป็น เป้าหมายของการฟังธรรมเป้าหมายของการฟังธรรมก็ฟังเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจเพราะถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะไม่ลืมส่วนส่วนที่เราไม่เข้าใจก็จะลืมไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าการฟังธรรมนี้ต้องฟังอย่างสม่ำเสมอฟังอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ฟังเพียงคนเดียว แล้วก็จะพอกับการปฏิบัติกูบาจารย์นี้ท่านจะคอยเรียกพระเนนมาอบรมสั่งสอนอยู่เรื่อยๆเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้ส่งที่ได้ยินได้ฟังไปแล้วไม่ให้หลงไม่ให้เดิมและผู้ฟังหลังจากที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ควรที่จะเอาไปทบทวนหลังจากที่ ได้ฟังแล้วไม่ควรที่จะทิ้งไปทำบทใดข้อใดที่ฟังแล้วจําได้เข้าใจก็เอามาทบทวนอยู่เรื่อยๆเอามาพิจารณาอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้ไม่หลงไม่ลืมเพื่อที่จะได้อยู่ติดกับใจไปทำจะเป็นประโยชน์ต่อจิตใจก็ต่อเมื่ออยู่กับใจ เหมือนกับอาวุธที่มีประโยชน์กับผู้ที่พกพาอาวุธถ้ามีอาวุธแต่ไม่พกพาอาวุธปล่อยไว้ในตู้เก็บไว้ในตู้เวลาไปไหนมาไหนเกิดมีความจำเป็นจะต้องใช้อาวุธป้องกันตนเองก็จะไม่มีอาวุธไว้ป้องกันตนเองฉันใดทําที่เราต้องพกติดใจกับเราไปก็เป็นเหมือนอาวุธ ที่เราจะต้องใช้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูของเราข้าศึกศัตรูของเราคืออะไรก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชานีเองที่เป็นตัวคอยมาสร้างความทุกข์ให้กับใจอยู่เรื่อยๆถ้ามีอาวุธคือมีธรรมมีสติมีปัญญามีสมาธิเวลาเกิด กเลตัณหาขึ้นมาก็จะสามารถที่จะใช้อาวุธทำลายข้าศึกศัตรูได้ทำให้ข้าศึกศัตรูไม่สามารถสร้างความทุกข์ให้แก่ใจได้อย่างนั้นเราต้องมีธรรมติดอยู่กับใจเราไปตลอดเวลาธรรมนั้นก็มีหลายขั้นด้วยกันธรรมขั้นแรกก็คือเราต้องเจริญสติ อยู่เรื่อยๆเช่นบริกรรมพุทธโธอยู่เรื่อยๆเวลาเราบริกรรมพุทธโธก็ถือว่ า, าแสดงว่าเรามีทาอยู่กับใจเรามีอาวุธอยู่กับใจเวลาเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาเกิดความหลงขึ้นมาเราก็ใช้พุทธโธนี้หยุดได้เวลาเกิดความโกรธขึ้นมา เราก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงบุคคลหรือเหตุการณ์ที่ทาให้เราโกรธถ้าเราบริกรรมพุทโธได้อย่างต่อเนื่องไม่นานเราก็จะลืมเรื่องราวลืมลืมบุคคลที่ทำให้เราเกิดความโกรธขึ้นมาพอเราลืมไม่ได้ไปคิดถึงเขาความโกรธก็จะดับไปอันนี้เป็นการดับความโกรธ ในเบื้องต้นก่อนแต่ไม่ได้เป็นการดับความโกรธอย่างถาวรเพราะว่าเวลาไปเจอบุคคลนั้นอีกหรือไปเจอเหตุการณ์แบบนั้นอีกก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาใหม่ได้อีกเพราะว่าการใช้พุทโธการใช้สตินี้เป็นการระ ง, งับดับความโกรธไว้ชั่วคราวเท่านั้น ยังไม่ได้ทำลายความโกรธอย่างถาวอรเพราะยังไม่ได้ไปทาลายรากของความโกรธความโกรธนี้ก็เป็นเหมือนต้นไม้ต้นไม้ถ้าเราไม่ถอนรากถอนโคนต้นไม้นั้นก็ยังจะไม่ตายถ้าเราเพียงแต่ตัดกิ่งตัดต้นทิ้งเอาไว้เดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาใหม่ได้ถ้าเราต้องการที่จะ ตัดความโกรธให้หมดไปได้เราก็ต้องไปถอนรากของความโกรธรากของความโกรธก็คือความหลงความหลงที่ทำให้เกิดความอยากขึ้นมาเราอยากได้สิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้เพราะเราคิดว่าสิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้จะทำให้เรามีความสุขนี่เป็นความหลง เพราะว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถที่จะให้ความสุขที่แท้จริงกับเราได้ให้ความสุขกับเราเพียงชั่วคราวแล้วก็ให้ความทุกข์กับเราตามมาเช่นเวลาเราอยากได้อะไรเวลาเราได้มาเราก็มีความสุขดีอกดีใจแต่เวลาที่เราเสียสิ่งที่เราได้มาไปเราก็จะเสียหกเสียใจ มีความทุกข์ตามมาถ้าเรารู้ความจริงว่าไม่มีอะไรในโลกนี้จะให้ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริงเราก็จะไม่มีความอยากได้อะไรในโลกนี้เมื่อเราไม่มีความอยากได้อะไรเวลาอยากแล้วไม่ได้เราก็จะไม่โกรธที่เราโกรธก็เพราะว่า เราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วมีคนอื่นเข้ามาขัดขวางมาแย่งเอาไปเช่นเราอยากได้บุคคลนั้นบุคคลนี้มาเป็นคู่ครองของเราแต่มีอีกคนหนึ่งมาแย่งเขาไปเราก็จะโกรธบุคคลนั้นแต่ถ้าเราไม่มีความอยากได้บุคคลนั้นใครจะเอาไปเราก็จะไม่เดือดร้อน เราก็จะไม่โกรธดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะระ <c oughs> งับความโกรธระงับความไม่พอใจเราต้องไม่มีความอยากกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราต้องทําใจของเราให้ยินดีตามมีตามเกิดถึงแม้ว่าเป็นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องมีแต่ถ้าเราไม่ได้มาเราก็จะไม่เกิดความโกรธขึ้นมา แต่ถ้าเราไม่มีความาสันโดษคือยินดีตามมีตามเกิดไม่มีอุเบกขาใจที่วางเฉยปราศจากความอยากความโลภความต้องการหามาได้มาก็ดีหามาไม่ได้ก็ไม่โกรธเพราะเราไม่ได้มีความอยากแต่ต้องหาด้วยความจำเป็นเช่นอาหาร ต้องหามาด้วยความจำเป็นหาได้ก็ก็ดีไปหาไม่ได้ก็ต้องอดไปแต่ใจที่ไม่ได้มีความอยากจะไม่เกิดความทุกข์จะไม่เกิดความโกรธ ถ, ถ้าไม่สามารถหาสิ่งต่างๆมาได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้หาด้วยความอยากก็ตามหาด้วยความจำเป็นจะไม่เดือดร้อน มีกินก็กินไปไม่มีกินก็อดไปอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็ตายไปนี่คือลักษณะของใจที่ไม่มีความอยากจะเป็นอย่างนั้นจะไม่ทุกข์จะไม่เดือดร้อนกับการได้กับการเสียเพราะว่าใจนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นที่พึ่งแล้วถ้าไม่มีความอยากเมื่อไม่ต้องการใช้ร่างกายเป็นที่พึ่ง ร่างกายจะอยู่ร่างกายจะตายก็ไม่เป็นปัญหาร่างกายจะอิ่มหรือร่างกายจะหิวก็ไม่เป็นปัญหาแต่ใจนี้ไม่หิวใจนี้อิ่มตลอดเวลาสิ่งที่ทําให้ใจหิวก็คือความอยากนี่พอหยุดความอยากได้ไม่มีความอยากความหิวก็จะไม่มีภายในใจเมื่อไม่มีความหิวก็จะมีแต่ความอิ่ม ในใจนี่ก็คือการใช้ธรรมะที่เป็นอาวุธที่เราจะต้องสร้างให้มีอยู่ติดกับใจตลอดเวลาขั้นต้นก็ให้สร้างสติก่อนเพราะสตินี่เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดในบรรดาธรรมที่จะต้องสร้างสามคือสมาธิและปัญญา ถ้าไม่มีสติเราก็จะไม่มีสมาธิและเมื่อไม่มีสมาธิเราก็จะไม่มีอุเบกขาความวางเฉยความไม่อยากและเมื่อเราไม่มีอุเบกขาเวลาเราเกิดความอยากเราก็จะหยุดมันไม่ได้แต่ถ้าเรามีอุเบกขาเวลาเกิดความอยากเราก็ใช้ความไม่อยากนี้สู้กับมันได้ เอาใจที่ไม่อยากก็คือใจที่อิ่มที่พอนี้สู้กับตันหาความอยากแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจไม่ให้ทำตามความอยากให้เห็นโทษของความอยากให้เห็นว่าสิ่งที่ได้มานั้นจะต้องหมดไปอยากได้อะไรมามากน้อยเพียงไยได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากกันไป เวลาจากกันก็จะต้องเกิดความทุกข์ทรมานใจถ้าไม่ได้อะไรมาก็จะไม่ต้องมีความทุกข์ทรมานใจเพราะจะไม่มีการจากกันนี่คือปัญญาที่เราต้องใช้ตามลำดับต่อไปขั้นตอนนี้ต้องใช้สมาใช้สติก่อนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการหยุดความโลภความอยากไว้ชั่วคราว แล้วเพื่อสร้างอุเบกขาคือความไม่อยากความพอใจความเฉยเฉยของใจไว้ก่อนพอเรามีความไม่อยากความอิ่มใจอยู่เวลาเกิดความอยากที่ยังไม่ได้ถูกทถูกปัญญาทำลายไปเราก็เอาปัญญานี้มาสู้ เอามาทำลายมันได้เพราะใจของเรานี้จะไม่ไม่ไม่ถูกอำนาจของความอยากบีบคั้นให้ไปทำตามความอยากเพราะมีอุเบกขามีสมาธิมีความอิ่มความพอใจนี้คอยต่อต้านความอยากได้อยู่ แล้วมีเวลาที่ทําให้เราได้พิจารณาด้วยเหตุ ด, ด้วยผลจนเห็นโทษของการกระทําตามความอยากว่าเป็นการนําไปสู่ความทุกข์ไม่ได้นําไปสู่ความสุขพอเห็นชัดเจนก็จะระงับความอยากได้ไม่ทําตามความอยากได้พอไม่ทําตามความอยากต่อไปความอยากก็จะหายไป ทุกครั้งที่ความอยากโผล่ขึ้นมาแล้วเราไม่ทำตามความอยากเราไปความอยากมันจะหายไปไม่เชื่อทดลองดูเช่นเราเป็นคนที่อยากดื่มสุราหรืออยากสูบบุหรี่ทุกครั้งเวลาเกิดความอยากจะดื่มสุราหรืออยากจะสูบบุหรี่เราก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปสูบอย่าไปดื่มเพราะว่าต้อง ถ้าเดิมดื่มสูบแล้วก็ต้องมีความอยากที่จะดื่มใหม่จะสูบใหม่ก็ต้องดืม่มต้องสูบไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแล้วเวลาที่ไม่สามารถที่จะดื่มได้หรือสูบได้เช่นร่างกายไม่สบายเพราะถูกพิษของควันบุหรี่ถูกพิษของสุราทําให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถที่จะดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ได้ ตอนนั้นก็จะเกิดความหมงุดหงิดเกิดความรำคาญใจหรือว่าไม่มีเงินซื้อบุหรี่มาสูบไม่มีเงินซื้อสุรามาดื่มก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมานี่เป็นการใช้ปัญญาสอนใจแต่จะใช้ปัญญาได้ใจจะต้องมีอุบเบกขามีความนิ่งมีความสงบ พอที่จะรับฟังคําสอนของปัญญาให้ได้ถ้าไม่มีความสงบไม่มีความนิ่งพอเกิดความอยากแล้วมันจะดิ้นพราน ท, ทันทีมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้มันจะไม่ฟังเสียงของปัญญามันจะไม่ฟังเหตุฟังผลมันจะเอาบุหรี่มาสูบให้ได้มันจะเอาสุรามาเดือบให้ได้ ถึงแม้จะต้องไปลักขโมยก็จะทำเพราะเวลาที่เกิดความอยากดื่มสุรา ห, หรือสูบุหรี่นี้ใจมันดิ้นใจมันไม่นิ่งใจมันทรมานมากแต่ถ้ามีสมาธิมีอุเบกขานี้มันไม่ดิ้นมันไม่ทรมานมากแต่มันก็เริ่มเกิดอาการหงุดหงิดเกิดความนาคานใจขึ้นมา แต่ไม่รุนแรงถึงกับต้องไปทำทันดีทันใดถ้ามีปัญญามาสอนมาเตือนมาบอกว่าเป็นพิษเป็นภัยถ้าไปทาอันถ้าไปทำตามความอยากก็จะต้องติดอยู่กับการดื่มสุราติดอยู่กับการสูบบุหรี่ไปจนวันวันที่ไม่สามารถดื่มได้สูบได้วันที่ร่างกาย เจ็บไข้ได้ป่วยวันที่ร่างกายจะต้องตายไปด้วยพิษของสุราหรือพิษของควันบุหรี่นี่ก็คือการสร้างปัญญาสร้างสติสร้างสมาธิที่เป็นอาวุธประจำใจคู่ใจถ้าใจมีสติมีสมาธิมีปัญญา รับรองได้ว่าเวลาเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาเวลาเกิดความหลงขึ้นมาหลงว่าสิ่ง น, นั้นดีสิ่ง น, นี้ดีปัญญาจะมาเตือนใจสอนใจทันทีว่ามันไม่ดีจริงหรอกมันดีเดียวเดียวมันดีแล้วมันก็กลายเป็นไม่ดีไปเพราะเราต้องมาหัวมาหวงมาหวงมาทุกข์กับมันต้องมาดูแลรักษา แล้วเวลาที่มันจากเราไปก็ต้องมาเสีย อ, อกเสียใจเศร้าโศกเสียใจนี่แหละคือทำที่เราควรที่จะสร้างกันขึ้นมาให้มีอยู่ติดกับใจไปเรื่อยๆไปตลอดควรที่จะเจริญสติอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ตื่นจนหลับ คอยควบคุมใจไม่ให้ลอยไปตามความคิดต่างๆอย่าไปคิดเรื <t <t ่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดให้คิดอยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่ไม่ว่าเรากำลังทำอะไรก็ให้คิดอยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่ายังมีสติอยู่แต่ถ้าเรากำลังทำอะไรแล้วเราไปคิดเรื่องอื่นนี่แสดงว่าใจเราลอยไปแล้ว บางทีเขียนหนังสือก็เขียนผิดได้ถ้าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดบัญชีก็อาจจะคิดผิดได้บวกลบคูณหารไม่ตรงกับความจริงแทนที่จะเป็น5้าก็กลายเป็น8ไปอย่างนี้เพราะว่าใจไม่ได้อยู่ไม่ได้จดจออยู่กับงานที่กำลังทำอยู่ การจดจ่ออยู่กับการทำงานก็ถือว่าการเป็นการมีสติการจดจ่ออยู่กับการบริกรรมพุทโธก็เหมือนกันเราสามารถใช้สลับกันได้บางเวลาเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปบางเวลาเราก็จดจ่ออยู่กับการกระทาของร่างกายไปเช่นเวลาเราอาบน้ำล้างหน้าล้างตาแปรงฟัน เราก็จดจ่ออยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่แปลงฟันไปก็รู้อยู่กับการแปลงฟันไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันคือกำลังแปลงฟันก็ให้รู้ว่าเรากำลังแปลงอยู่งอยู่ที่ซี่ไหนข้างบนหรือข้างล่างข้างในหรือข้างนอกอย่างนี้ถึงเรียกว่ามีสติ จะใช้พุโทโธแทนก็ได้แปลงฟันไปแล้วบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปก็ได้ตราบใดที่เราไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ไปคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นมาในอดีตเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้หรือเมื่อเช้านี้หรือคิดถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นที่เรากําลังคิดว่าจะเกิดเช่นพรุ่งนี้เราจะไปทํานั่นทํานี้ เรื่องราวหล่านี้เราไม่ควรคิดถ้าเราจําเป็นจะต้องคิดเราก็ควรที่จะหยุดการกระทําต่างๆไว้ก่อนแล้วคิดด้วยการมีสติคิดให้ด้วยเหตุด้วยผลเช่นเราต้องคิดวางแผนว่าพ่งนี้ต้องทําอะไรถ้าเรากําลังแปลงฟันอยู่เราก็หยุดแปลงฟันก่อนแล้วก็คิดถ้าอยากจะถ้าจําเป็นจะต้องคิดว่าต้องทําอะไรก็คิดไป คิดด้วยสติคอยรับรู้คอยดูว่าคิดอยู่กับเรื่องที่จําเป็นจะคิดหรือไม่พอคิดเสร็จแล้วเราไปคิดเรื่องที่ไม่จําเป็นไปคิดถึงเรื่องอดีตไปคิดถึงเรื่อง เ, อเรื่องคนนั้นคนนี้เราก็ต้องหยุดเราก็ต้องกลับมาจดจ่ออยู่กับ ก, บการแปลงฟันต่อไปหรือกลับมาอยู่กับ ก, บการบริกรรมพุทโธพุทโธต่อไป ถ้าเราสามารถจเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องใจไม่ลอยไปตามความคิดต่างๆคือใจไม่คิดไม่ปรุงใจว่างใจมีแต่รู้อย่างเดียวรู้อยู่กับงานที่ทำหรือรู้อยู่กับการบริกรรมพุทธโธพุทธโธเวลาที่เราไม่ต้องทำอะไรเรามานั่งเฉยๆมาบริกรรมพุทธโธหรือมาดูลมหายใจเข้าออก ก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือจะทำสองอย่างควบคู่กันไปก็ได้จะดูลมอย่างเดียวก็คือให้ดูดูว่าลมตอนนี้กำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกให้ดูแค่นี้ก็ให้รู้ว่ากำลังหายใจเข้าให้รู้ว่ากำลังหายใจออกถ้าลมหยาบก็รู้ว่าลมหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าลมละเอียด หายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นหายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาวไม่ต้องไปบังคับลมไม่ต้องไปเปลี่ยนลมไม่ต้องไปทําให้ลมที่หายใจสั้นเป็นหายใจยาวหรือลมหายใจยาวมาเป็นลมหายใจสั้นเราไม่ต้องการที่จะมาจัดการกับเรื่องของลมเราเพียงต้องการใช้ลมเป็นที่ผูกใจ ให้ใจมีงานทำมีอะไรดูเท่านั้นเพื่อจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนี่คือการใช้ลมเป็นที่จเจริญสติหรือเราจะไม่ใช้ลมเราก็ไม่ต้องดูลมเลยก็ได้เราใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวก็ได้บริกรรมพุทโธพุทโธไปเหมือนกับขณะที่เราไม่ได้นั่งขณะที่เรา ทำอะไรต่างๆเราบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปพอเรามานั่งเราก็บริกรรมพุทธโธพุทธโธต่อไปก็ได้ถ้าใจไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้บางท่านก็อยากจะใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไปก็ได้เช่นหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโทก็ได้ แล้วหายใจเข้าก็ว่าพุทโธก็ได้หายใจออกก็ว่าพุทโธก็ได้อันนี้แล้วแต่ความถนัดความพอใจวิธีใดที่ทำแล้วทำให้ใจรวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิได้ก็ใช้ได้ทั้งนั้นขอให้เราดูผลว่าใช้วิธีนี้แล้วมันไม่ได้ผลก็ลองใช้วิธีนี้ดูบางทีมันไม่ใช่อยู่ที่วิธีมันอยู่ที่สติว่า จะอยู่กับการดูลมอยู่กับการบริกรรมหรือไม่ถ้าไม่ได้อยู่กับการดูลมไม่ได้อยู่กับการบริกรรมดูลมไปได้สองสามครั้งก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้แไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้นั่งไปยังไงก็จะไม่ได้ผลอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นวิธีที่เป็นปัญหาแต่เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือการเผลอสติการที่ใจไม่จดจอ่อ อยู่กับงานที่ให้ทำอยู่เช่นดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทธโธพุทธโธแตถ้าเราสามารถที่จะทำใจให้บริกรรมพุทธโธได้อย่างต่อเนื่องไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้หรือดูลมหายใจเข้าออกไป โดยที่ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรงนี้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอใจสงบแล้วใจก็จะมีอุเบกขามีความวางเฉยปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ใจจะไม่วุ่นวายไม่วุ่นวายกับสิ่งต่างๆที่มาให้ใจสัมผัสรับรู้เช่นขณะที่สงบนั้นถ้ายังมีร่างกายอยู่ยังรับรู้เรื่องของร่างกายอยู่ ร่างกายจะเจ็บตรงนั้นตรวดตรงนี้ก็จะไม่ลาคานจะไม่รู้สึกเดือดร้อนหรือได้ยินเสียงเสียงอะไรต่างๆขึ้นมาก็จะไม่ลาคานใจจะรับรู้แล้วก็ปล่อยวางอันนี้เป็นลักษณะของการมีอุเบกขาคือการไม่มีอารมณ์ตอบโต้กับสิ่งต่างๆที่ใจไปสัมผัสรับรูบร้ถ้าเรานั่งนานๆอุเบกขานี้ก็จะ มีอยู่ติดกับใจได้นานเวลาออกจากสมาธิมาอุเบกขานี้ก็ ย, ยังจะอยู่ติดกับใจไปได้ต่อจะอยู่ได้นานไม่นานก็อยู่ทีก่กำลังของอุเบกขาที่เราสร้างไว้ถ้าเราสร้างอุเบกขาไว้มากมันก็จะอยู่นานออกจากสมาธิมาแล้วใจก็ยังมีอุเบกขาอยู่ยังวางเชื้ออยู่ ยังไม่เดือดร้อนยังไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่ได้รับรู้ <Okay. S 1> เวลานั้นะเป็นเวลาที่เราควรที่จะเอาปัญญามาสอนใจ <Okay. S 1> เพราะเป็นเวลาที่ไม่มีกิเลสมาต่อต้าน <Okay. S 1> มาขัดขวางยังไม่สร้างอารมณ์อะไรต่างๆขึ้นมา <Okay. S 1> เพราะสิ่งที่ปัญญาต้องพิจารณานี้เป็นสิ่งที่กิเลส จะไม่ชอบและจะสร้างอารมณ์ที่ไม่ดีให้กับเราเช่นเราต้องพิจารณาความตายอย่างนี้ถ้าเราไม่มีอุเบกขาเนี่เราจะไม่อยากจะพิจารณาพอคิดถึงความตายนี้ใจจะหดหู่ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าใจมีอุเบกขาเวลาพิจารณาจะไม่มีความหดหู่จะเป็นอุจะมีแต่อุเบกขาวางเฉยรับรู้ความจริง เมื่อได้ยินได้พิจารณาอยู่บ่อยๆก็จะไม่หลงไม่ลืมจะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ตลอดเวลาไว้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับการตายของร่างกายรับกับการจากไปของร่างกายและยิ่งถ้าได้พิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรามันก็ยิ่งทำให้ไม่มีความหวาดกลัวกับความตาย เพราะสิ่งที่ตายมันไม่ได้เป็นตัวเราไม่เป็นของเราเราจะไปกลัวไปทำไมของของคนอื่นเรากเกิดความกลัวไม่เวลาที่หายไปหรือว่าคนอื่นเขาตายไปคนที่เราไม่รู้จักคนที่เราไม่ได้มีความเกี่ยวข้องด้วยเวลาเขาตายไปเราเดือดร้อนหรือไม่เพราะเราไม่ได้ไปคิดว่าเขาเป็นตัวเราเป็นของเรานั่นเอง ทัในใดถ้าเรามีเวลามีโอกาสที่ได้พิจารณาดูร่างกายของเราจนเห็นชัดว่าร่างกายของเรานี้ความจริงมันก็เป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟในรูปของอาหารต่างๆในรูปของลมหายใจในรูปของเครื่องดื่มต่างๆเครื่องดื่มก็เป็นน้ำลมหายใจก็เป็นธาตุลม กับข้าวกับปลาอาหารก็เป็นธาตุดินผสมกับธาตุน้ําเมื่อเข้าไปในร่างกายมันก็ผลิตธาตุไฟขึ้นมาเวลาอาหารเข้าไปในร่างกายก็จะทําให้ร่างกายอบอุ่นสังเกตดูเวลารับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆนี้เหงื่อจะแตกจะร้อนนี่แหละคือธาตุสีดินน้ําลมไฟ ที่เข้ามาสร้างร่างกายให้เป็นมีรูปร่างมีอาการสามสิบสองอาการทั้งสาสิบสองนี้จึงไม่ได้เป็นอะไรเป็นเป็นธาตุสี่นี้เองส่วนที่แข็งก็เรียกว่าธาตุดินเช่นผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยเราเรียกว่าธาตุดินส่วนที่เหลวเราก็เรียกว่าธาตุน้ำเช่นน้าเลือดน้ำน้องน้ำเหงือ่อน้ำทะเลน้าลาย น้ำมันข้นน้ำมันเหลวอย่างนี้เป็นตน้น <c oughs> ก็เป็นธาตุน้ำธาตุไฟก็คือความร้อนในร่างกายเราธาตุลมก็คือลมหายใจที่เราหายเข้าหายออกอยู่ถ้าเรามีเวลาพิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆต่อไปเราจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงอาการสาสองเห็นว่าอาการสาสสองนี้ทำมาจากดินน้ำลมไฟ แล้วเวลาร่างกายตายไปเราก็เห็นชัดเลยว่าเวลาตายไปถ้าปล่อยให้ร่างกายนอนอยู่เฉยๆไม่ไปทําอะไรเดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นอืดพองขึ้นมาแล้วน้าหนองน้ําต่างๆมันก็จะไหลออกมาจากร่างกายลมมันก็ระเหยออกมาเป็นกลิ่นเหม็นไฟมันก็หายไปแล้วถ้าไปจับร่างกายของคนตายนี้มันจะไม่ อุ่นไม่ร้อนเหมือนกับร่างกายของคนเป็นเพราะาธาตุไฟมันได้ออกจากร่างกายไปแล้วเพราะาธาตุน้าออกจากร่างกายไปหมดมันก็เหลือแต่าาธาตุธาตุดินร่างกายก็แห้งกรอบขึ้นมากรอบแล้วทิ้งไว้ต่อไปมันก็จะผุจะเปื่อยจะพังจะกลายเป็นดินไปนี่คือสิ่งที่เราต้องใช้ปัญญาพิจารณาพิจารณาอยู่เรื่อยๆบ่อย จนเห็นภาพชัดเจนว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวเราของเราอยู่เลยค้นหาอาการทั้ง32ค้นหาทุกสิ่งในร่างกายนี้ก็จะมีแต่อาการ32ไม่มีตรงไหนที่บอกว่าเป็นตัวเราของเราเลยพอเราเห็นอย่างนี้เราก็จะได้สบายใจไม่หลงไปยึดไปติดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรา แล้วเวลาที่ร่างกายจะต้องแก่เจ็บตายไปเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราสามารถแยกตัวเราออกจากร่างกายได้สิ่งที่ทำให้เราคิดว่าเป็นเราเป็นร่างกายก็คือความหลงนั่นหรือความโง่เหมือนคนสมัยก่อนที่หลงคิดว่าโลกนี้แบนเพราะว่ามองไปก็รู้สึกว่ามันราบ แต่ความจริงมันกลมต้องมีคนฉลาดมาพิจารณาแล้วมาบอกว่าโลกนี้มันไม่แบนมันกลมเราถึงจะเห็นความจริงฉันใดร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงอาการสาสิบสองเป็นดินน้ําลมไฟแต่เราต้องมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาเห็นก่อนมารู้ก่อนแล้วมาสอนมาบอกเรา ให้เราพิจารณาให้เห็นถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่บ่อยๆในที่สุดเราก็จะต้องเห็นว่ามันเป็นเพียงอาการสาสิบสองที่ทามาจากดินน้าลมฝอเท่านั้นไม่มีตัวเราตัวเราที่กำลังพิจารณาอยู่นี้มันไม่ได้อยู่ในร่างกายมันอยู่ในใจในใจที่มีความรู้สึกนึกคิดมีการรับรู้นี่แหละคือใจนี่แหละคือตัวเรา ผู้ที่กำลังพิจารณาอยู่นี่แหละก็คือเราไม่ได้ใช้ไม่ใช่ร่างกายที่กาลังพิจารณาร่างกายนี่คือการใช้ปัญญาหลังจากที่เราได้อุเบกขาจากสมาธิแล้วถ้าเราไม่มีอุเบกขานี้ไม่มีสมาธิเราจะไม่สามารถคิดเรื่องราวเหล่านี้ได้เป็นเป็นกอบเป็นกรรม คิดให้ด้วยเหตุด้วยผลคิดจนเห็นชัดเจนแยกแยะร่างกายให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่มีตัวไม่มีตนมีเพียงแต่อาการสามสบสองมีเพียงแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นเราก็จะได้ข้อสรุปว่าสรุปแล้วร่างกายของทุกคนนี้ก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องไม่ใช่สามีไม่ใช่ภรรยาไม่ใช่บุตรไม่ใช่ที่ดาเป็นเพียงอาการ32เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเท่านั้นผู้ที่เป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่นี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้แต่อยู่ในใจของแต่ละคนใจนี้แหละที่ไม่ตายเวลาที่ร่างกายตายไปนี้ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ดังนั้นเวลาร่างกายของพ่อของแม่ตายไปเราก็จะไม่เสียอกเสียใจเราจะรู้ว่าพ่อแม่เราไม่ได้ตายเพียงแต่พ่อแม่เราต้องทิ้งร่างกายนี้ไปเพราะว่าร่างกายไม่สามารถอยู่กับพ่อแม่ได้ต่อไป ต, ตัวพ่อแม่เองไม่ได้ตายไปกับร่างกายหรือใครก็ตามทุกคนไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยา เป็นบุตรเป็นธิดาเป็นญาติเสน็จมิสหายสรุปแล้วไม่มีใครตายสิ่งที่ตายนั้นเป็นเพียงดินน้ํำลมไฟเท่านั้นเองนี่คือปัญญาที่จะทําให้เราไม่ต้องมาทุกกับเรื่องของร่างกายได้ไม่ต้องมาทุกกับความแก่ไม่ต้องมาทุกกับความเจ็บไม่ต้องมาทุกกับความตายของร่างกายได้เพราะเราใช้ปัญญาถอนรากถอนโคนของความหลง ของความอยากถ้าเรารู้ว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นของกายเป็นเพียงดินน้ำลนไฟแล้วเราห้ามไม่ให้เขาแก่ไม่ให้เขาเจ็บไม่ให้เขาตายได้เราก็จะได้หยุดหยุดอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเราไม่มีความอยากไม่ให้ร่างกายแก่เจ็บตายเวลาร่างกายแก่เจ็บตายเราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะรู้สึกเฉยเฉย เวลาร่างกายตายไปเราก็จะไม่กลัวเวลาร่างกายเจ็บเราก็จะไม่กลัวเวลาร่างกายแก่เราก็จะไม่กลัวเราจะรับรู้เพียงอย่างเดียวดูร่างกายเป็นเหมือนคนรับใช้เราไม่ใช่ตัวเราคนรับใช้เราเวลาเขาไม่สบายเราก็หาหมอหายาให้เขาเวลาเขาแก่ทำอะไรไม่ได้เราก็เลี้ยงเขาไปหาอาหารให้เขากิน เวลาเขาตายก็เอาไปให้เขาจัดการเผาศพไปก็มีเท่านี้เรื่องของร่างกายที่พวกเรายังหลงกันยังคิดว่าเป็นตัวเราของเราอยู่พอคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายทีไรก็เกิดความหวุดหงิดเกิดความกลัวเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาทันที นั่นก็เป็นเพราะว่ายัางไม่มีสมาธิยังไม่มีอุเบกขาพอถ้ามีสมาธิมีอุเบกขาพอแล้วมาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายใจจะเฉยเฉยจะไม่มีอารมณ์หงุดหงิดหรือซึมเศร้าเกิดเกิดขึ้นมาแล้วก็จะรู้ว่าจะต้องเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์นี้ รู้ว่าจะต้องพบกับความแก่รู้ว่าจะต้องพบกับความเจ็บรู้ว่าจะต้องพบกับความตายก็จะเตรียมตัวไว้ก็เหมือนกับเวลาที่เราไปยืมของใครเข้ามาเราก็รู้ว่าเดี๋ยวเจ้าของก็ต้องมาเอาคืนไปหรือเราต้องเอาไปคืนเจ้าของเราก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนเพราะถึงเวลาเราก็เอาไปคืนเขาเช่นเราไปยืมเงินเข้ามา พอถึงเวลาต้องคืนเขาเราก็ไม่หวงไม่ได้อยากจะเก็บเอาไว้เพราะเรารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นของเราแต่ถ้าเราไม่รู้พอเราไปยืมเงินใครเข้ามาแล้วลืมไปคิดว่าเป็นของเราเวลาเขามาทวงเราจะไม่อยากให้เขาและเวลาเขาเอาไปเราก็จะเสีย อ, อกเสียใจฉันใดร่างกายนี้ก็เป็นของที่เรายืมมาแต่เราลืมไป เราลืมว่าเป็นของที่เรายืมเขามาแล้วสักวันหนึ่งนี้เราต้องคืนเจ้าของเข้าไปเวลาเจ้าของมาเอาคืนก็เป็นเวลาที่เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะไม่อยากคืนนั่นเองนี่ละเราสร้างความทุกข์ขึ้นมาด้วยความหลงไปหลงคิดว่าของที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเรา พออะไรเป็นของเราเราก็หวงเราก็อยากจะให้อยู่กับเราไม่ยอมให้ใครเอาไปพอใครมาเอาไปเราก็วุ่นวายใจเราก็ห้ามเขาไม่ได้เสียด้วยเขามีอำนาจมากกว่าเราเวลาเขาจะมาเอาร่างกายเขาของเราคืนไปนี่เราห้ามเขาไม่ได้เวลาร่างกายจะตายนี้เราห้ามมันได้หรือเปล่าเวลามันจะกลับคืนสู่เจ้าของเดิ คือกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟเราห้ามมันได้หรือเปล่าเราหยุดมันได้หรือเปล่าเราหยุดไม่ได้แต่สิ่งที่เราหยุดได้ก็คือความทุกข์ใจถ้าเราไม่หลงไม่ลืมว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของที่เรายืมเขามาเหมือนกับเงินที่เรายืมเขามาถึงเวลาเจ้าของเจ้าหนี้เขาจะมาเอาคืนไปก็ต้องคืนเขาไปถ้าเรายินยอมก็ไม่มีปัญหาอะไร ใจก็เฉยสบายไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่ได้เป็นร่างกายใจไม่ได้เปลี่ยนไปใจไม่ได้หดไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วใจไปกลัวอะไรสิ่งที่ทำให้ใจกลัวก็คือความหลงนี้เองหลงไปคิดว่าร่างกายเป็นใจพอร่างกายตายใจก็คิดว่าใจจะตายไปกับร่างกายด้วยนี่แหละเราถึงต้องใช้ปัญญาคอยสอนใจให้รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจ ให้ใจปล่อยได้ให้ปล่อยร่างกายได้ว่าไม่มีปัญหาอะไรปล่อยร่างกายไปใจตายร่างกายตายไปใจไม่ได้ตายไปด้วยแต่ถ้าไม่ยอมปล่อยในใจจะทุกข์มากจะเครียดมากการจะพิจารณาอย่างนี้ได้ใจจะต้องมีอุเบกขาแล้วก็ต้องมีคนสอนพิจารณาถึงจะพิจารณาเป็นปัญญานี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะพิจารณากันได้ง่าย ต้องมีคนคอยสอนคอยบอกวิธีพิจารณาแล้วต้องมีใจที่สงบนิ่งเป็นอุเบกขาถึงจะพิจารณาได้อย่างที่ญาติโยมทั้งหลายตอนนี้มานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมกันได้ก็เพราะว่าใจมีอุเบกขาทนฟังได้อยู่ถ้าใจไม่มีอุเบกขานี่อยากจะลุกไปแล้วทนอยู่นั่งอยู่เฉยเฉยไม่ได้เพราะมันจะมีตัณหาความอยาก อยากจะลุกไปเดินอยากจะไปทำนั่นทำนี่อยากจะไปดูนั่นดูนี่ดื่มนั่นดื่มนี่ก็จะนั่งฟังไม่ได้การฟังทำนี่ก็เป็นเหมือนกับการเจริญปัญญาเพียงแต่ว่าเราต้องอาศัยปัญญาของผู้อื่นเป็นเป็นผู้แสดงให้เราไปก่อนพอเราได้รับแนวทางของการพิจารณาทางปัญญาแล้วทีนี้เราก็ต้องเอาไป เราไปจเจริญเองต่อไปเราต้องหัดพิจารณาร่างกายนี้ให้เป็นพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายให้เป็นพิจารณาธาตุสี่ให้เป็นพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราพิจารณาให้เห็นว่าเราห้ามมันไม่ได้หยุดมันไม่ได้ถึงเวลาที่มันจะต้องจากเราไปเราห้ามมันไม่ได้แต่สิ่งที่เราห้ามได้ก็คือความอยากของเรา ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นของเราและมันจะต้องจากเราไปเราก็ต้องปล่อยถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ถ้าเราไม่ปล่อยเราจะทุกข์มากความทุกข์ที่ไม่จำเป็นเลยเพราะทุกอย่างไรในที่สุดมันก็ไปอยู่ดีนะงนั้นเรามีทางเลือกสองทางก็คือให้มันไปอย่างสงบสุขหรือไปอย่างทุกข์ไปอย่างวุ่นวายใจ ถ้าไปอย่างสงบสุขก็ต้องปล่อยต้องรู้ทันต้องไม่หลงต้องไม่คิดว่ามันเป็นตัวเราของเราถ้ายถ้ายังหลงคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราอยู่เวลามันจะไปนี้มันจะทุกข์มากจะเครียดมากวิธีที่จะทำให้ไม่ทุกข์ไม่เครียดก็คือต้องเจริญสติเพื่อทาใจให้สงบเป็นอุเบกขาให้มากมาก เมื่อใจอุปนิบเวขาได้มากได้นานก็จะพิจารณาสอนใจให้รู้ความจริงของร่างกายได้มากได้นานจนในที่สุดจะไม่หลงไม่เลืมจะเป็นความรู้คู่อยู่ติดอยู่กับใจทุกเวลานาทีเวลามองดูร่างกายนี้ก็จะดูว่าไม่ใช่เป็นตัวเราของเราพร้อมที่จะให้มันจากเราไปได้ทุกเวลานาทีถ้าเราพร้อมอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับ ความเป็นความตายของร่างกายอีกต่อไปเราก็จะบรรลุธรรมขั้นของพระโสดาบันได้นี่แหละคือเรื่องของการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้มีความรู้ในการปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเราได้ความรู้ที่ถูกต้องเราก็จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เมื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเราก็จะได้รับผลก็คือดับความทุกข์ภายในใจของเราที่เกิดจากความหลงที่เกิดจากความอยากไปยึดสิ่งต่างๆเช่นร่างกายว่าเป็นตัวเราเป็นของเราพอเวลาเขาจากไปถ้าเราไม่หลงเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราหลงเราก็จะทุกข์ดังนั้นขอให้เรามาแก้ความหลงกันโดยการเจริญสติด้วยการนั่งสมาธิ เวลาออกจากสมาธิมาก็ให้มาเจริญปัญญากันพิจารณาร่างกายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าเป็นดินน้นําหลมไฟเป็นอาการ32ไม่ใช่ตัวเราของเราพิจารณาว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ไม่เป็นปัญหาเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เราก็ยังเป็นใจเหมือนเดิมอยู่เหมือนตั้งแต่วันที่เราเกิดมาใหม่ๆใจนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไปตลอดเพียงแต่ว่ายังหลงอยู่เท่านั้นเองจึงต้องมาแก้ความหลงเมื่อแก้ความหลงได้แล้วใจก็จะกลายเป็นผู้รู้ขึ้นมาเป็นพุโทโธขึ้นมาเมื่อเป็นผู้รู้เป็นพุโทโธก็จะดับความหลงทั้งหลายได้ดับความทุกข์ทั้งหลายได้ ก็มีเท่านี้เรื่องของการปฏิบัติธรรมปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความหลงภายในใจให้มันหมดไปเท่านั้นเพอไม่มีความทุกแล้วใจก็จะเป็นปรมังสุขขังไปตลอดนี่แหละคือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านมีแต่ปรมังสุขขังเพราะท่านไม่มีความหลงท่านมีแต่ความรู้จริงอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้ท่านปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ ไม่อยากกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ยังขอให้ท่านจงเอาทมที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิณิพิจณ า, าและไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาิวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิป้เมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิตโยวิวัชานตุสัพพารโควีนัสตุ มาเตผวะตวันตรายโยสุขีทีขาโยโกผวะอภิวาธนศีลิษานิจังวุฒาปจายโนจตารุธรรมวัฏาติอายุวันโนสุขังภาละ อตอนนี้จะตามต่อบปัญหาธรรมท่านใดถ้าอยากจะถามปัญหาก็เชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนก็ได้เพราะคนฟังจะได้ฟังทั้งคำถามและคำตอบครับต่อไปเป็นคำถามนะครั บ, ค, รบคำถามแรกมีโยงฝากถามมาที่นี่นะครั บ, รบเขาเขียนไว้ว่าจากหน้าร้อยสามสิบสองนะครับ โสดาบันละความแก่ความเจ็บความตายได้แต่ยังมีความอยากในกามอารมณ์อยู่คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งที่ความรู้สึกของผมเรื่องแรกทําได้ยากกว่าตามอารมณ์ซึ่งทําได้ง่ายกว่าก็แล้วแต่ยากง่ายมันมันแต่ละคนอาจจะมีความความละความผูกพัน ไม่เท่ากันความชอบอาจจะไม่เท่ากันจะง่ายหรือยากก็ต้องละมันทั้งหมดแล้ <c oughs> ถ้าแน่จริงที่ว่าละง่ายก็มาบวชเลยนั่นแหละละการอารมณ์ต้องมาบวช เราถึงจะรู้ว่าอะไรมันจะยากกว่ากันนาแน่ๆฝนแต่อยากจะกลับไปกลับไปก่อนก็ได้นะั่นเดี๋ยวพายุมาเนี่ยลมแรงคิดว่าเดี๋ยวคุยกันไม่ได้อยู่ดีคิดว่าอางั้นขอขอยุดติไปก่อนนะเอามันมันน่าจะมาจริงๆนะเดี๋ยวลมมันมาลมศาสตร์ด้วยพอฝนตกก็จะคุยกันไม่ได้เอ็น ต, ตอนนี้ยังพอมีเวลาที่ไปขึ้นรถขึ้นอะไรกัน ก็เอากลับกันนะขออาภัยด้วย <c oughs> ไปกลับบ้านดีกว่าใช่ก็วันออกภาษาถ้านอนจ่าได้